ลำเนาไพรโอบฝันร้ายไว้ในอ้อมพฤกษาจูบด้วยลชมชมเชยเงาแทนรักเขาคล้าวร่างพลางร้างหายฉันยังรักเธอนานี่แล้วเจ้าหนุ่มโฉมงามผู้มีเสียงราวกับกาละเวกก็ทำหน้าขึงขังชี้มาที่เขาถามคาดคันมาว่า ใช่ไหมใช่ไหมรู้ว่าไม่รักแล้วตอนนี้ผู้กองแง่ทายแกก็รู้ดีนี่ว่าฉันรักนายหญิงของแกเพียงใดระพินพูดเสียงเครืออ้าถ้างั้นก็ฟังคอยฟังให้ดีนะผู้กองว่าแล้วแง่ายในจินตนาการก็เอามือป้องหูเอียงหน้าแต่ตาล้อๆมาที่เขา แล้วก็จิงดังว่าระพินได้ยินเสียงเหมือนแม่ดอกฟ้าดารินของเขามากที่สุดแวววมาจากที่ใดที่หนึ่งในท่วงทํานองเพลงของแง่ทรายที่ร้องค้างไว้ประสาน ร, รับต่อกันได้พอดีว่าฉันยังรักพี่มิคลายแล้วใหญ่รักจึงร้างง่ายแง่ทรายหันหน้าร้องถามไป เหมือนจะเป็นตัวแทนเขาเสียงดารินแววจากฟ้าตอบมาอีกเพราะเราพ่ายแพ้เคราะกรรมอดีตเจ้าหนุ่มพเนจรหัวเราะเบาๆแล้วร้องต่อรักหนอยังล้อหลอนโศกสั่งสะท้อนคลอนหัวใจไหวซ้ำ ไปตามข้ามดินฟ้ามาครวนคร่ำเสียงมันร้าวมันร่ำพร่ำไพรพิไราสาบเรานกเขาบนยอดไม้ร้องขึ้นพอดีพร้อมกับเสียงของดารินจูหูฮุกครูเขาครูคร่ำครวนจุหูฮุกครูเจ้าร้างนวนโศกส่วนซบสาว ภาพเงาของแง่ทรายแผ่วเสียงลงต่อเพลงนั้นอย่างผสมผสานกลมกลืนในท่อนจบเขาเจ้าเอยอย่าเลยร้องทำนองเศร้าฉันฟังแล้วฟังเล่าเสียงมันเข้าไปควานสวงระพินไพรวันชาดิกไปหมดทั้งระบบประสาท เสียงดารินจริงๆที่ร้องตอบคำร้องถามของแง่ทรายมาตามท่วงทานองเพลงนั้นน้ำตาของเขาซึมแง่ทรายลุกขึ้นยืนช้าๆบอกยิ้มยิ้มมาว่าปุกองแง่ทรายไปแล้วนะแล้วก็โน่นน้ำตาลกำลังเข้ามาหาหมดแลละ แล้วก็อยากกลายเป็นไอ้มดตัวที่ตะกละไปเสียละจำไว้รักแท้นะ่ะยังรออยู่ข้างหลังกำลังติดตามมาด้วยโชคดีนะครับผู้กองขาดเสียงเจ้าเพื่อนยากในสมัยอดีตอันเห็นในภาพขณะที่ปิดตานั้นมันก้มศีรษะให้เขานิดหนึ่งพร้อมกระถอยห่างออกไปและพร้อมกันฝ่ามืออ่อนนุ่ม ก็วางลงบนอกเขาแตะและเรียกเบาๆระพินคุณหลับไปเกือบสองชั่วโมงเลยนะตื่นขึ้นมาทานอาหารอาหารเย็นซะ ก, ก่อนเะแล้วค่อยนอนต่อเนี่ยอาจารย์ให้ฉันมาปลุกคุณนะระพินเปิดเปลือกตาขึ้นช้าๆคริสติน่ากรูบิลน้ำตาลของเจ้าแงซายกำลังก้มลงมองเขาอยู่ก่อนแล้ว ดวงตาสีฟ้าเต็มไปได้วยแววอาทรห่วงใหญ่ระพินดึงกายที่มีลักษณะเหมือนผีองเมื่อครู่นี้ขึ้นมานั่งทันทีมือทั้งสองขยี้ตาแล้วลืมขึ้นกวาดมองไปรอบๆ อ, อีกครั้งแสงแห่งทิวากาลกำลังจะหมดสิ้นไปแล้วความมืดสลัวโรยตัวปกคลุมอนาบริเวณและกองไฟที่พวกลูกหาบก่อไว้เป็นหย่อมๆเริ่มส่องแสงพรอมแพมพรอมแพมพ หางออกไปบนเรือนของกระเรียงห้วยเสือร้องที่คณะทั้งหมดมาหยุดยัง้งพักแรมอยู่ก็ปรากฏแสงใต้ปักอยู่ตามเสาเรือนคริสระหว่างที่ผมหลับทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเขาถามเป็นประโยคแรกอย่างสุภาพคริสติน่าพยักหน้าเรียบร้อยดีที่สุดค่ะพวกเราเรอเวลาตื่นของคุณเห็นขําลงแล้ว เขาก็เลยฉันมาปลุกตอนนี้พวกเรากำลงังรอทานอาหารเย็นพร้อมคุณนะลอนบอกเสียงเย็นเย็นเรียบเรียบมองประสานสายตาเขานิดนึงก็หลบไปอย่างละอายใจเมื่อหัวนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ตอนบ่ายที่หลอนเกือบจะระเบิดกระสุนปืนใส่แผ่นหลังเขาซะแล้วด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบแล้วเขาก็ไม่ได้โต้ตอบรุนแรงอะไรเลยตรงข้าง กลับใช้คำพูดและอาการที่สุภาพอ่อนโยนและกินใจที่สุดซ้ำยังช่วยกลบเกลื่อนปิดบงังไม่ให้ใครอื่นที่ร่วมเหตุการณ์อยู่ด้วยในขณะนั้นได้ระแคะระคายถึงอารมณ์ดีเดือดหมดสติยึดเหนี่ยวไปชั่วขณะของหล่อนหากแต่บอกว่าหล่อนทำปืนลั่นโดยไม่ได้ตั้งใจคริสคุณล่วงหน้าไปก่อนเถอะขอเวลาผมแค่สองนาทีเท่านั้น ขอล้างหน้าสักนิดนึงคริสติน่าปฏิบัติตามคำสั่งของเขาโดยดีลุกขึ้นช้าๆเดินกลับไปยังกระโจมพักของฝ่ายตนในขณะที่ระพินลุกขึ้นยืนบิดกายลั่นกรอบแก ร, บ, กรบไปหมดแล้วหันเข้าหากระบอกไม้ไผ่บรรจุน้ำที่แขวนอยู่บนกิ่งไม้ใกล้ๆเที อ, อกรองไว้ในฝ่ามือแล้วลูบขยี้ใบหน้าและต้นคอเพื่อขับไล่ความงุนงงงว ง, ง, ง, ง, งเงียออกไป การได้พักหลับไปแม้แค่สองชั่วโมงภายหลังจากกรรมหนักมาตลอดคืนตลอดวันเต็มๆก็ยังดีกว่าไม่ได้พักเลยพอได้น้ำก็พอจะแช่ชื้นขึ้นบ้างไม่อยากจะคิดถึงความฝันร้ายของตนเองไม่อยากจะคิดถึงแง่ทรายในจิตใต้สำนึกและเสียงเพลงเศร้ากินใจที่แววเข้ามาทางสมองและดวงจิตบัดนี้ เขากลับคืนมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเป็นระพินไทรวันผู้เต็มไปได้วยภารกิจที่จะต้องปฏิบัติรับใช้นายจ้างต่อไปตามหน้าที่อันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช้ผ้าขามาผืนเก่าที่เคียนพุงอยู่นั่นแหละรับหน้าลวงกระเป๋าหลังควักหวีออกมาสางผมลวกๆพอแม่มันรุงรังเกินไปนักแล้วสุภาพบุรุษไพรก็เดินตรงเข้าไปยังแคมป์พักของนายจ้างซึ่งบัดนี้ ทุกคนกำลังรอคอยเขาอยู่ก่อนแล้วคงจะต้องมีเรื่องพูดคุยสอบถามกันมากทีเดียวเพราะเนื่องจากพอเขาติดตามคริสติน่าและเชิดบุตรนำกลับมาถึงตำแหน่งนัดพบได้อย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วโดวยยังแทบไม่ได้พูดอะไรกับฝ่ายนายจ้างที่เฝ้ารอคอยอยู่เลยสักคำเดียวก็ขอตัวไปนอนพักอย่างอิจโรยเต็มที่ซึ่งพวกนั้นก็ไม่ได้รบกวนอะไรเขาปล่อยให้นอนพักผ่อนโดยดี ดารินวรารินั่งคุกเขา่าซบหน้าร้องไห้เงียบๆกับฝ่ามือของตนเองนานเท่าใดไม่ทราบได้หลอนได้สติรู้สึกตัวขึ้นมาก็เพราะได้ยินเสียงพี่ชายใหญ่ร้องเรียกดังๆข้ามโขดหินมาว่าน้อยตื่นจากผวังเศร้าผ ว, วาเงยหน้าขึ้นแล้วขานต่อไปอย่างรีบด่วนคะพี่ใหญ่อะไรกันอะ ทำน้ำด้วทำอะไรทำไมมันถึงได้ชานักอ่ะหายเงียบก็ไปตั้งร่วมสิบนาทีแล้วไม่ได้ยินเสียงน้ำซักสู้เป็นไรไปเปล่าเปล่าเปล่าครั บ, บ, บ, บพี่ใหญ่น้อยเสร็จเดี๋ยวนี้ล่ละค่ะแล่ล่ำละลักตอบออกไปแล้วใช้หม้อสนามตักน้ำรดกายอาบอย่างรวดเร็วเสียงชา ย, ยันบน่นอู้มาว่านี่เธอจ๋าคนเขาก็คิวจะอาบน้ำอยู่ตั้งสามคนนะจ๊ะ ทอดหุยและเลียดอยู่ได้เห็นเงียบฉี่ไปเลยนึกว่า ง, งูโฉกตายใชละหล่อนไม่ได้โตตอบอะไรอีกทั้งสิน้นอาเบเสร็จเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ก็คว้าไรเฟิลหอบเสื้อผ้าชุดเก่าออกมาพยายามวางสีหน้าให้เป็นปกติเจ้าด้วนพอเห็นหล่อนออกมาจากห้องน้ำจําเป็นที่มันไปยืนหักกิ่งไม้กินพร้อมทั้งเฝ้าพิทักษ์ไปในตัวก็หมุนตัวกลับเดินตามมาด้วย ลักษณะเหมือนช้างเลี้ยงที่ติดควานแจชนิดไม่ยอมให้หลอนห่างจากสายตาของมันดารินมานั่งตรงบริเวณที่พี่ชายและเพื่อนนั่งคุยกันอยู่ก่อนแล้วจุดบุรีสูบอัดควันหนักๆไม่มีใครสนใจกัลลอนอีกเมื่อเห็นอาบน้ำและผูกกลับออกมาแล้วเช่นนี้ขยินวิ่งไปทาหน้าที่บริการตักน้ำไว้เอาไปตั้งไว้ในตาแหน่งเดิมโดยใช้ถังคู่เก่า ชฉ ย, ยันเป็นคนที่สองที่เข้าไปอาบพอลับเข้าไปในซอกมูหินของห้องอาบน้ําจําเป็นนั้นเขาก็ตะโกนเรียกเจ้าด้วนดังๆเฮ้ยเจ้าด้วนมายืนเฝ้าตรงที่เองเคยยืนเฝ้าแม่ของเองหน่อยดิเว้ยหน่อยหนะ่าผมแม่ของเองอาบเสร็จเองก็ยอมเฝ้าอีกเลยนะปะทไม่ยุติธรรมนี่วะชฉ ย, ยันมีนิสัยเหมือนเดิมสนุกสนานขี้เล่น และพยายามทําให้คณะผ่อนคลายความตึงเครียดได้เสมอเจ้าด้วนนั้นเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ด้านหลังของดารินล้อนหันไปลูกงวงบอกด้วยเสียงอ่อนหวานว่าไปด้วนไปยืนดูต้นทางเ้าหน่อยทางด้านโน้นไม่มีพวกเราคนไหนเฝ้าอยู่เลยนี่มานั่งกันอยู่ตรงนี้หมดปเดี๋ยวอะไรมันคาบชายันไปพวกเราจะไม่มีทางรู้นะ ช่างป่าแสนรู้ไม่ขยับขยือนหรือปฏิบัติตามที่หล่อนขอร้องใดๆทั้งสิน้นคงยืนอยู่ใกล้ๆหล่อนเฉยเช่นนั้นเฉตถากานุชามองเห็นเข้าก็หัวเราะตะโกนบอกไปว่าหมดหวังใช่ยันแกอาไปคนเดียวเหอะไอเรื่องที่จะให้เจ้าด้วนไปคอยเป็นกาไถเหมือ น, น้อยอะ่ะไม่มีทางหรอกมันมายืนอยู่ตรงนี้ดีบอาบๆเข้า มือจนแทาจะมองอะไรไม่เห็นแล้วชัยยันบนมาอีกดาเจ้าด้วนงึมงำงึมงเขาก็แกลงพูดสนุกสนุกไปงั้นเองอาบน้ำไปพลางก็ร้องเพลงไปพลางทำจิตใจให้ผ่องใสคลืค้นฝืนความรู้สึกของตนเองแต่แล้วอดีตนตายทหารปืนใหญ่ก็มีอาการเงียบงันไปเช่นเดียวกับดารินเมื่อสักครู่นี้เช่นกัน เมื่อแงนหน้ามองขึ้นไปบนยอดไม้เห็นชนีตัวเหลืองอ้อยเกาะกิ่งไม้สองมือก้มหน้าลงมามองเขาอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับ ว, ว่าที่อกของมันมีลูกน้อยกเกาะติดนางแม่อยู่ด้วยมันทําให้ต้องหวนคิดไปถึงลูกชายที่เพิ่งเกิดและตัวเองก็มีความจําเป็นจะต้องพละกจากมาอย่างไม่รู้อนาคต น, นี้ลูกเมียข้างหลังจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่ทราบเจ้าหนูไพยวันน้อยผู้อายุได้แค่สองวันณนวันที่จากมากับมาเรียเมียรักความรู้สึกของชัยยันยาม น, นี้แทบจะไม่ผิดอะไรกระไดรินเลยในการพลัดพรากจากสิ่งที่รักหากจะเพี้ยงกันออกไปบ้างก็เพียงว่าสำหรับชัยยันนั้นเขารู้แน่ว่าทั้งลูกและเมีย อยู่ในที่ซึ่งปลอดภัยแน่แล้วส่วนตัวเองจะเป็นตายร้ายดียังไงจะได้กลับไปเห็นหน้าอีกหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนดารินนั้นไม่มีหลักประกันใดๆที่จะเชื่อมั่นได้เลยว่าจะตามพบชายคนรักได้ที่ไหนในสภาวะใดชายันอาบน้าเสร็จอย่างรวดเร็วและกลับมานั่งเป็นเพื่อนดาริงต่อไปก็เป็นเชษฐา และอนุชาที่ผลัดกันเข้าไปอาโดยใช้เวลาไม่มากนะักพอเสร็จสับเรียบร้อยทั้งสี่คนรวมทั้งขยินก็บายหน้าตัดป่าหินตรงบริเวณแอ่งน้ำนั้นกลับมาอย่างบริเวณแคมป์ที่พักโดยมีช้างใหญ่เดินดุมดุมตามหลังมาด้วยอย่างกระชั้นชิดราวกับว่ามันเป็นคณะด้วยตัวหนึ่งในการร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ ดารินนั้นเดินล้าหลังเพื่อนคอยกวักมือเรียกมันให้ตามมาทุกระยะเพราะโดยใจจริงแล้วหล่อนไม่ต้องการให้เจ้าด้วนแยกทางห่างตาไปไหนทั้งสิ้นเมื่อถึงแคมป์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพเรียบร้อยหมดสิ้นแล้วโดวยการจัดเตรียมอย่างชำนาญของหนานอินลูกหาจับกลุ่มกันกินอาหารก่อนแล้วในหมู่ของพวกตน ปืนไฟก่อรายล้อมไว้ทุกทิศเท่าที่จำเป็นและอาหารกระป๋องสำหรับฝ่ายเจ้านายก็ถูกนำออกมาตั้งเตรียมพร้อมไว้ให้รอแต่การเปิดฝาหรืออุ่นเท่านั้นแม้จะมีการรู้กันล่วงหน้าก่อนแล้วในบรรดาลูกหาบว่ามีช้างป่าที่คุ้นเคยกับคณะเดินร่วมอยู่ด้วยเพราะทุกคนมองไปเห็นร่างใหญ่โตในเงาสลัวที่เดินดุมดุตามหลังคณะเจ้านายมา ก็อดที่จะสะดุ้งผวาไม่ได้ต่อเมื่อรู้ว่าเป็นเจ้าด้วนแน่นอนจึงคลายความตรหนกลงดารินป่าวประกาศให้ทุกคนทราบอีกครั้งว่าคืนนี้หล่อนจะให้เจ้าด้วนอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณแคมป์ด้วยแล้วก็ย้ำว่าอย่าให้ใครหลงผิดตาฝาดเป็นอันขาดเพราะกรัวพวกนั้นจะยิงเงาเนื่องจากเข้าใจผิดแล้วฝ่ายนายจ้างทั้งหมดก็ลงมือรับประธานอาหาร เรียกขยินกำนันอินซึ่งจัดว่าเป็นบุคคลพิเศษของฝ่ายพื้นเมืองให้เข้ามาร่วมวงด้วยเพื่อถือโอกาสหารือกันไปพลางๆนี่คืนที่กลางกับลุงอินอย่าประมาทนะไงๆก็ดูแลจัดเวรยาให้ดีที่สุดล่ะพี่ชายใหญ่ของคณะเอ่ยขึ้นในระหว่างล้อมวงอาหารกันอยู่ที่นี่ปลอดภัยดีแล้วครับยังไงยังไงก็ไม่ต้องหวง่วงร กานชดบอกอย่างไม่มีอาการเฉลียวหรือฉุกคิดใดๆทั้งสิ้มตามประษาะอาดีตนักผจญภัยผู้มีการเป็นอยู่อย่างง่ายๆเช่นเขาแต่พี่ชายจ้องหน้ากลางพี่สังหอยังไงพี่กนนะรู้สึกบรรยากาศมันไม่ค่อยจะดีนักหรอกความจริงก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรนะักถ้าไม่ใช่เพราะตอนที่เราเดินมุดลอดใต้ถ้ำออกมาแล้ว รู้สึกว่ามีอะไรมันพยายามจะย่องตามหลังโดยอยู่ตลอดเวลาราชสกุลหนุ่มใหญ่พี่เอื้อยของคณะพูดขึ้นตามตรงหม่อมราชวงศ์อนุชาเพิ่งจะหัวนนึกขึ้นได้ครับครับพี่ใหญ่ท่านนั้นเดี๋ยวผมจะกรลุงอินก็จะสั่งกำชับพวกลูกหาบเองแล้วก็จะระมัดระวังเป็นพิเศษครับน้อยก็เหมือนกันนะคืนนี้ พี่ขอร้องอะไรสักอย่างขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งพี่อย่างเขียบขาดด้วยนะเช่อถาหันไปทางน้องสาวเล็กที่นั่งเอาซ่อมแคะเนื้อกระป๋องใส่ปากอยู่อย่างไม่สนใจกับรสชาติใดๆทั้งสิ้นอะไรเหรอครับพี่ใหญ่เดี๋ยวกินอาหารเสร็จคุยกันสักพักเราจะนอนพร้อมกันห้ามเมยน้อยลุกขึ้นจากที่นอนไปชมวิวที่ไหนกลางดึกนอกบริเวณแคม เหมือนอย่างคืนที่แล้วเป็นอันขาดนะแล้วก็ห้ามไม่ให้แก้ตัวทีหลังด้วยว่าเจ้าด้วนมาชวนเธอให้ออกไปเที่ยวไหนกับมันประโยคหลังเป็นการห้ามชนิดดักคออย่างรู้ทันค่ะพี่ใหญ่ดารินรับคำง่ายๆสมมตินะว่าเกิดความจำเป็นจะต้องขยับขยื่นลุกขึ้นจากที่นอน เธอต้องปลุกบอกพี่ก่อนนะเข้าใจไหมอย่าแอ บ, บออกไปตามลำพังคนเดียวแม้จะเห็นว่าใกลก้ๆก็ตามไม่เพียงแต่น้อยเท่านั้นนะถึงชา ย, ยันเองก็เหมือนกันเรามาทำความเข้าใจกันสะก่อนทุกคนน่ะไม่ว่ากลางพี่เองน้อยชา ย, ยันลุงอินหรือว่าขยินคนใดคนหนึ่งสัมผัสได้การอะไรที่มันผิดปกติไม่ชอบมาพาคน ก่อนจะตัดสินใจทําอะไรลงไปขอให้ปลุกพวกเราทุกคนบอกกันให้รู้ซะ ก, ก่อนคาพูดของเชิฐาไม่ใช่เปรย์เล่นๆแต่เป็นคําสั่งยังเฉียบขาดจริงจังที่สุดทุกคนรับคําสั่งของเขาตอนที่พวกเราไปที่แอ่งน้ำนั่นบอกให้ลุงหรือค้นกองขยะที่พวกนั้นกลบไว้ลุงพอจะพบอะไรบ้างไหม ประโยคหลังเชฐดาหันไปถามนานอินอย่างคนรอบขอบและไม่ลืมอะไรง่ายๆครูพรานทำท่าเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ล่วงลงไปในย่ามของแกแล้วควักสิ่งหนึ่งขึ้นมาส่งให้เชษฐาอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรหรอกในใหญ่นอกจากเศษเครื่องกระป๋องที่ใช้แล้วอย่างที่เราพบกันทุกครั้งแล้วก็มีกระดาษตะกั่วนี่ ไม่รู้ว่าใส่ลูกกวาดหรือยาอะไรละมะั้งทิ้งอยู่แค่นี้เองอดีต ท, ท่านทูตทหารบกเชื้อพระวง์หยิบไปพิจารณาดูโดยเร็วและพึมพำออกมาว่าแอมพิซิลอนห้ารอยมิลลิกรัมมีรอยแกะฉีกออกจากแผงสามเม็ดและพี่ชายใหญ่ของคณะก็ส่งต่อไปให้น้องสาวดารินรับไปด้วยความชำนาญ หล่อนไม่ได้เชี่ยวชาญเฉพาะสัญญกรรมอย่างเดียวเท่านั้นแม้ด้านอายุรกรรมหรือการวินิจฉัยโรคตลอดจนการให้ยาก็ได้บอดมาแล้วจึงพอจะทายได้ถูกทันทียาชนิดนี้ระพินไม่มีติดตัวค่ะนอกจากจะเป็นของอเมริกันพวกนั้นแล้วก็มีรอยฉี ก, กินไปสมเม็ดทิ้งกระดาษตะกัวที่ซีนยาไว ก็คงจะเนื่องจากให้ใครกินแก้อาการอักเสบกันเป็นหนองจากบาดแผลอาจจะเป็นแม่หมอเบนนั่นก็ได้มั้งที่ให้ระพินกับนายคิดกินเพราะเราทราบจากปากคำของกระเลียงหมู่บ้านซับบอลนนว่าสองคนนั่นวางมวยกันจนหน้าตาแหกก่อนจะยิงช้างลมแวะแล้วหล่อนก็หันไปหยิบตัวอย่างหลอดยาฉีดเล็กๆในกระเป๋าพิเศษขนาดกระเป๋า ที่ติดอยู่ในเครื่องหลังประจำตัวส่งให้นานอินดูลุงลุงตรวจดูละเอียดหมดหรือยังมีหลอดรูปร่างอย่างนี้หรือว่าใหญ่เล็กกว่านี้ตกทิ้งอยู่ในกองขยะที่พวกนั้นกลบไว้มั่งหรือเปล่านานอินสั่นหัวไม่มีนะหญิงก็มีอยู่แค่นั้นแหละถ้างั้นก็แปลว่าไม่ได้มีการฉีดยาอะไรกันเลย ในระหว่างมาพักอยู่ที่นี่เพียงแค่ให้กินยาแก้อักเสบเท่านั้นก็ควรจะแปลว่าอาการบาดเจ็บของทั้งสองคนไม่ได้มากมายอะไรนะักให้ตายเถอะสองคนพี่ใหญ่กับน้องเล็กนี่เนี่ยยิ่งกว่านักสืบสกอตแลนด์ยาซะอีกเนะาะชยันพูดขึ้นลอยๆขณะที่ชดกาแฟแล้วทำตาปลือง่วงเต็มที่ เชยันเราจะต้องไม่มองข้ามแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆนะเพราะหลักฐานทุกชนิดที่เราค้นพบมันจะชี้บอกพฤติการของกลุ่มคนที่ล่วงหน้าไปก่อนเราได้อย่างดีที่สุดทําให้เราจะคาดคะเนหรือทายอะไรได้การรู้การเคลื่อนไหวของกลุ่มระพินมากเท่าไหร่จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามของเราเท่านั้นเพียงแค่สองวันที่เราบุกตามเข้ามานี่เฉพาะแค่ร่องรอยอย่างเดียวเท่านั้น เราก็ยังสามารถรู้ได้ว่าเขาหยุดที่ไหนทําอะไรกันบ้างรู้แม้กระทั่งอาหารที่กินแต่ละมือ้อยาที่ใช้แต่ละประเภทแล้วยานั้นนั้นใช้ในกรณีอะไรใครเจ็บใครป่วยเป็นอะไรือเด็ดมากแม้กระทั่งบลาของใครขาดก็ย้งอุตสารู้ได้เออจะว่าอันที่จริงแล้วคณะของเรานี่ก็เก่งจริงๆนะพับผ่าดิ ช ย, ยันพูดพร้อมหัวรอหันสกิดสะโพกดารินถามต่อไปว่าไหนบลาสวยๆตัวนั่นอะเอาไปเก็บไปทิ้งไว้ที่ไหนแล้วเอามาดูหน่อยดินั่นเป็นเรื่องของการกระซ้าเยาแย่ดารินตาวาดเบาๆกลับมาว่าหุบปากก็เ้เตี้ยชยันแล้วก็อย่ามายุ่งอะไรในเรื่องนี้เธอไม่มีหน้าที่อะไรทั้งนั้นนะ มีอย่างเดียวกเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นก้าวตัวเองให้รอดแล้วกันปากหาวอยู่บอดบไปนอนนะไปเพื่อนชายไม่ว่าอะไรอีกยักไหลหาย ห, หลังที่ซดกาแฟหมดแล้วก็คลานเข้าไปประจำที่นอนของตนเองด้วยความอ่อนล้าปล่อยให้สามพี่น้องและพลานครูผู้เฒ่าหาหรือกันต่อไปอีกครูเก้าส อะมาว่ากันถึงเรื่องพรุ่งนี้เราจะเอาไงกันต่อดีเชิดถาเอ่ยถามน้องชายกรนนันอินก็ตามรอยไปเรื่อยๆก่อนนะครับยังไม่มีการก้าวสกัดอย่างน้อยที่สุดผมมีความเห็นว่าเราจะต้องแกะทับรอยเข้าไปก่อนในระยะต้นๆ น, น, นี่จนกว่าจะถึงห้วยสือรองแล้วนั่นแหละเพราะจากจุดที่เราพักกันอยู่นี่จะต้องผ่านเขตหมู่บ้านชาวป่าอีกสองหมู่บ้าน แห่งแรกก็คือตะเคียนทองแห่งที่สองก็คือห้วยเสือรอ้องต้นไม้ในป่านะมันบอกอะไรเราไม่ได้แต่คนในหมู่บ้านที่คณะของระพินผ่านไปคงจะให้รายงานได้แน่นอนแล้วก็ถูกต้องได้มากกว่าด้วยพี่ชายใหญ่พยักหน้าอย่างเห็นด้วยตกลงเอาตามที่เธอว่านั่นแหละก็ดีเหมือนกันถ้าพวกเขาผ่านหมู่บ้านที่เธอบอกว่าควรจะผ่านอีกสองแห่ง เราก็จะได้สอบถามแล้วก็กะคํานวนได้ถูกพวกเขาล่วงหน้าผ่านต่ลายแห่งไปกี่วันบ้างแล้วมีทิศทางมุ่งไปด้านไหนว่าแต่ระยะทางนี้อีกไกลไหมจริงเวลาสักเท่าไหร่ถ้าเราจะไปให้ถึงห้วยสือร้องอนุชาหันไปหารือหนานอินแล้วตอบว่าถ้าจากที่นี่นะครับถ้าเรามุ่งตะเคียนทองก่อนทันทีก็สองวันเต็มเ็ม แลัจากตะเคียนทองก็ถึงห้วยเสือร้องก็อย่างน้อยอีกวันครึ่งนั่นแหละนั่นหมายถึงว่าเรามุ่งหน้าตัดทิศทางให้เข้าถึงหมู่บ้านทั้งสองโดยอิสระแต่ถ้าเราจะตามทับรอยเขาไปก็ยังเดาไม่ถูกเพราะตลอดเส้นทางระยะนี้ระพินก็อาจจะนำคณะเดินช้าไปบ้างเร็วไปบ้างหรือแยกแนวค้นหาตำแหน่งเครื่องบินตกฉีกทางออกไปทางด้านอื่นซึ่งนั่นก็หมายความว่า เราจะคำนวณเวลาแน่นอนไม่ได้เลยแต่เรารู้จุดมุ่งหมายของเขาว่าจะไปที่ห้วยเสือร้องซึ่งนั่นเป็นคำบอกเล่าที่เขาบอกกับคุณนําพลไว้ก่อนออกเดินทางทีนี้ระหว่างทางน่ะมันเอาแน่ไม่ได้อาจจะมีจุดเดินใจหรือเหตุอย่างอื่นทำให้ระพินยแยกไปทางด้านอื่นโดยไม่ผ่านหมู่บ้านทั้งสองแห่งนี้รลอก็ได้เพราะฉะนั้นเราทายเหตุการณ์อะไรล่วงหน้าไม่ได้ทั้งนั้นแะครับ ผมถึงได้บอกว่าเราควรจะแกะรอยเข้าไปเรื่อยๆเพื่อสอบทิศทางเดินให้แน่ชัดซ ก, ก่อนครับจะว่าไปแล้วอดีตพรานชดก็รอบคอพอใช้ทีเดียวซึ่งพี่ชายใหญ่ก็เห็นด้วยทุกประการจากคำอธิบายและเหตุผลนั้นแล้วเชษฐาก็สั่งให้ทุกคนเข้านอนอนุชากนันอินเดินตรวจอาณาบริเวณโดยรอบอีกครั้งรวมทั้งสั่งการจับเวรยามพวกลูกหาบ เวลามันแค่สามทุ่มเท่านั้นแต่สงบเงียบแล้วดูคล้ายดึกเหลือประมาณในพื้นที่ภูมิประเทศป่าเปียวนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสงบราบขาบับภายในบริเวณที่พักมีแต่เสียงพวกลูกหาบคุยกันเบาๆต่างแยกนอนกันเป็นกลุ่มๆนั้นอินกับไอหยิงยึดที่นอนโดยดักเส้นทางด้านใหญ่กันอยู่คนละทาง ไม่ไปรวมกันอยู่แห่งเดียวเพราะรู้หน้าที่ดีอยู่แล้วอนุชากลับเข้ามายังที่นอนภายหลังจากดูแลทุกอย่างจนเป็นที่พอใจเรียบร้อยก่อนจะเอียงกายลงนอนเห็นน้องสาวคนเล็กที่มายึดที่นอนอยู่ในระหว่างตำแหน่งนอนของเขากับเชฐิฐายังลืมตาแป๊วมือมองดูหลังคาพลาสติกเตีย่ยที่มุงกันน้ําค้างไว้ก็บอกว่านี่น้อย พี่ก็ไม่ใช่ปรัชญาเมธีหรือมีคำคมอะไรนักหรอกนะจึงขอบอกด้วยคำพูดง่ายๆชัดๆว่าอย่าไปไมือคิดอะไรให้มันเปลืองสมองเลยนอนหลับเอาแรงไว้พรุ่งนี้ดีกว่านะว่าแล้วก็เอื้อมือมาปิดที่ดวงตาน้องสาวด้วยอาการเอนดูยาวๆแล้วก็นอนลงใกล้ๆเสียงดารินพูดมาแผ๋ว่าพี่กลางค่ะ อะไรอีกล่ะยายนี่บอกไม้ปิดตาแะเดี๋ยวก็หลับเองเอั่แหละพี่กลางคะ่ะพี่กลางบอกว่าตัวเองไม่ใช่ปรัชญาเมธีหรือมีคำคมอะไรงั้นเหรอคะ่ะฮะก็เห็นอยู่แล้วอะว่าพี่เป็นคนส่งเดีจะตายไปคุยคุยง่ายๆ่ายอาจจะพอพอกระรพินของเธอละมะ หลอนสันสีสั่ช่มช้าพี่กลางคะ่ะแต่น้อยไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะคะพี่กลังไม่ได้เป็นแต่เพียงนักปรัชญาอย่างเดียวเท่านั้นแต่พี่กลางยังเป็นกวีอีกด้วยถ้าเท่ากับทีรพินก็ไม่ใช่คนคุยคุยง่ายๆแต่เป็นคนมีอารมณ์ละเอียดอ่อนลึกซึ้งที่สุดเพียงแต่ว่าทั้งสองคนนั่นแหละคะ่ะ มีบุคลิกอำพรางภายนอกที่เข้ามาปิดบังซ่อนงามไว้ทำให้คนที่ไม่อย่างซึ้งใจกันจริงๆแล้วอาจจะมองข้ามได้อนุชาเอามือปัดผ่านใบหน้าของตนเองเธอสนิทใกล้ชิดกระพินมากนี่เพราะฉะนั้นก็อาจจะมองเห็นอะไรในส่วนลึกซึ้งที่สุดของเขาเรื่องนี้ใครก็คงไม่รู้ดีไปกว่าเธอได้หรอกน้อยแต่สำหรับพี่นะ ถึงเราจะเป็นพี่น้องกันแต่เธอก็ไม่ได้รู้จักพี่ทีท่วนอะไรนะจึงอย่าเอาไปเปรียบเทียบกระพินเป็นเชิงว่าเธอรู้จักกระพินยังไงเธอก็จะต้องมารู้จักพี่อย่างนั้นด้วยเลยพี่กลางคะและ้วแตน้อยจะเอ่ยบทกวีอะไรขึ้นมาสักบทเนะ่พี่กลางคิดว่าพอจะจาได้ไหมน้องสาวซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะง่วงเลย พลิกตะแคงหันหน้าไปทางพี่ชายกลางผู้นอนหงายหลับตาอยู่ใกล้ๆวางมือลงบนท่อนแขนของเขาบทกวีอะไรอ่ะอยังเสียไม่ได้หม่อมราชวงศ์อนุชาหรืออดีตพรานชดถามมาทั้งๆหลับตานะักที่ใดดวงใจไม่ไหววัน แล้วไงอนุชาคงถามอย่างไม่ฉเฉลียวคิดอะไรอยู่เช่นนั้นแสดงว่าเขาชุ่ยจริงๆจะฝ่าฟันอุปสรรคและขวากหนามเสียงแผ่วของน้องสาวเอ่ยต่อมาเป็นจังหวะช้าๆอยู่เช่นนั้นอีกฝ่ายหนึ่งสงบฟัง แม้สิ่งชาติวาสนาชะตาสามขอฝากนามโลกให้รู้กูก็ชายพี่กลางคะกะวีตกยากคนไหนล่ะคะที่เอาเศษฐ่านเขียนไว้ในผนังหินแห่งหนึ่งกลางป่าลึกกันดานที่สุดปล่อยให้พี่น้องและเพื่อนที่ออกติดตามค้นหาไปพบข้อความนั้นข้า โดยเฉพาะน้องสาวนะ่ะเพียงเห็นข้อความนั้นก็น้ำตาไหลแทบจะเป็นสายเลือดด้วยความสงสารแล้วห่วงหาอาทรพี่ชายคนโตนะ่ะยืนซึมเพื่อนอีกคนที่ไปด้วยยืนมองดูลายมือนั้นด้วยอาการตะลึงคอแข็งเพราะมันเป็นข้อความที่บีบคั้นความรู้สึกของคนที่มาเห็นเหลือประมาณ มันแสดงให้เห็นถึงว่าผู้เขียนได้ระบายความรู้สึกภายในอันคับแค้นของตนออกมาเช่นไรเป็นแก่นแท้ของความจริงทีเดียวแต่เดี๋ยวนี้กวีคนนั้นพ้นภาวะนั้นมาซะแล้วเขาก็ลืมข้อความที่เขาเองเป็นผู้เขียนฝากควาฝากดินเอาไว้สะหมดสิ้นอนุชาวราริศ ไปชั่วครู่เปิดเปลือกตาขึ้นและเห็นน้องสาวผู้น่าสงสารบัดนี้นอนตะแคงหนุนท่อนแขนตนเองมองจับอยู่ก่อนแล้วเขาประงกศีสะขึ้นจุบเบาๆอย่างปราณีที่หน้าผากอีกมือหนึ่งลูบศีสษะน้อยในะช่างจดช่างจำเหลือเกินนะตัวพี่เองยอมรับว่าลืมไปซะลับ ได้เขียนข้อความลงไปยังไงมั่งที่ปนังหินน่ะก็จาได้แค่ว่าได้เขียนไว้เท่านั้นขณะที่เดินทางกระเสาะกระเซิงตุรัดตุเรตกยากบอบช้ำใจอยู่กลางป่ากนานอินแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าใครจะไปพบเห็นเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ชายหรือน้องสาวเพราะไม่คิดว่าจะมีใครสนใจห่วงใยออกติดตามพี่ พี่เขียนไว้อย่างงั้นน่คะครับแล้วยังมีอีกบทหนึ่งนะคะสืบเนื่องต่อกันอีกด้วยน้อยนะ่ะท่องจำใส่ใจมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้แหละไหนไหนลองเตือนความทรงจำพี่ต่อไปสิพี่เขียนไว้ว่างไงณที่นี้ไรายญาติและขาดมิตร ยังก็แต่บ่าสนิทพิษสมัยก็คงหมายถึงนั้นอินนะคะเสมอเพื่อนเสมือน ญ, ญาติไม่คลาดไกลเป็นเพื่อนตายเคียงกูคู่ชีวาค่ะพี่กลางคะพรานชดผู้อนาถาในครั้งนั้นเขียนไว้อย่างนี้ค่ะพี่กลางว่า กวีหรือเปล่าล่ะคะพี่ชายกลางฝืนยิ้มเอาเนิ้วเขียดจมูกน้องสาวเก่งนี่อุตส่าห์จำได้ตัวคนเขียนเนี่ยลืมสนิทเลย <c oughs> จริงนะนะคนเราเวลาเกิดความทุกข์ยากกดดันทางอารมอย่างหนักอารมณ์ทางกวีมันไหลหลั่งพรั่งพวกมาได้เหมือนกัน ทั้งๆ ท, ที่ความจริงพี่ก็ไม่ได้สัมผัสจัดเจนนักหรอกในเรื่องนี้อาจจะว่าไม่เป็นเลยก็ได้ไม่เป็นแล้วทําไมถึงเขียนได้กินใจถึงขนาดที่คนซึ่งติดตามไปพบเข้าต้องยืนอ่านน้ําตาซึมอย่างนั้นแหะคะพี่กลางพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะบอกแล้วไงว่าไม่ได้เจตนาจะให้ใครไปพบไปเห็นก็าหรอก ก็แค่เป็นการระบายความรู้สึกของตัวเองซะมากกว่านะพยายามเรียกวิญญาณกวีชนิดนั้นกลับพื้นมาอีกสักครั้งสิคะพี่กลาแล้วพูดให้น้อยฟังจะในความหมายข้อความยังไงก็ได้น้อยจะนอนฟังเพื่อจะหลับได้มหมขณะ น, นี้น้อยเหงาครับพี่เหงาเหลือเกิน มันมันบอกไม่ถูกกันครับพี่กลางเอ๊ะแล้วพี่จะเอากาวีบทกลอนที่ไหนมากล่อมให้น้อยหลับเละ่ะบอกแล้วไงว่าไม่ชํานาญอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ขึ้นต้นให้ไม่ตอบเองแล้วกันนะสองพี่น้องคุยกันกันหนุงกระนิงแต่ฝ่ายพี่ชายเริ่มจะอู้อีเพราะง่วงเต็มแก่ พี่กลางก็ลองขึ้นต้นมาสิคะจะขึ้นต้นยังไงเดียเออพี่รู้นะว่าน้อยกำลังคิดถึงใช่ไหมค่ะใช่ค่ะงั้นก็เอาง่ายๆตรงตัวแล้วกันน ะ, ะขึ้นต้นให้ว่าคิดถึงดารินพลิก ซ่อนพลิกนอนไหนต่อคําของพี่ชายมาแผ่วเบาแช่มช้าแต่ชัดเจนว่าใครจะซึ้งคํานี้ดีเท่าฉันคนเริ่มต้นบทกรวีให้หลับไปียแล้วอย่างง่ายดายที่สุดแต่คนต่อกลอนยังลืมตาโพลงอยู่เช่นนั้น ถูกแล้วใครละ่ะจะมาซึ้งในคำนี้เท่ากับหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริกขณะนี้นานต่อมาหล่อนพนมมือทั้งสองไว้กลางสวงอกในท่าที่นอนงายอยู่นั้นเริ่มตั้งใจสวดมนต์ภาวนาสงบจิตทำใจให้แน่นิ่ง บูชาคุณพระรัตน์ไรเป็นอันดับแรกต่อมาก็น้อมจิตศักการะไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและจักรวาลไม่ได้ขอพรสวัสดิภาพความปลอดภัยให้แก่ตนเองหรอกแต่วิงวอนขอพรให้เขาผู้นั้นขอให้เขารอดพ้นจากพิบัติพยันตรายทั้งปูง่ แล้วขอให้หลอนได้ตามพบเห็นหน้าเขาอีกสักครั้งแม้จะแค่วินาทีเดียวก่อนตายจากก็ยังดีแล้วก็ระลึกบูชาไปถึงมหาฤาษีโกนทัญะซึ่งเป็นอรหันในร่างหินแห่งเทือกเขานิลกาที่ตนเองได้เคยกราบไหว้ฝากตัวเป็นศิษย์ไว้ก่อนแล้วในครั้งนั้น ไม่สามารถจะบอกกับตนเองได้ว่าเคลิมหรือหลับและอยู่ในภาวะฝันอย่างใดกันแน่หล่อนพบตนเองมอบกราบอยู่ณตำแหน่งอันเป็นที่สถิตของมหาฤาษีผู้ยิ่งใหญ่องค์นั้นตามลำพังคนเดียวรัศมีที่เปล่งออกมาจากเรือนร่างที่เข้าสมาธินิ่งดุจศิลาจำหลักนั้นเปล่งสว่างเลือนราง โสดก็แววสำเนียงชัดเจนออกมาอย่างการุนว่าลูกเอ๋ยสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมลิขิตนั้นแหลเจ้ายาได้ทุกข์กังวลให้เกิดความเศร้าหมองในดวงจิตจนเกินการนัก เมื่อมุ่งหวังตั้งใจไว้แล้วว่าจะกระทาสิ่งใดก็จงมุ่งพยายามไปตามเจตนาที่มุ่งมั่นไว้ถึกและอย่าได้ถามพ่อเลยว่าเจ้าจะได้พบกับชายอันเป็นที่รักหรือไม่เพราะเป็นอาบัตในการที่พ่อจะตอบ เ, เดียวกับที่เจ้าได้เคยมาพบพ่อแล้วขอถามเกี่ยวกับเรื่องไปตามพี่ชายของเจ้าในครั้งนั้นซึ่งพ่อก็ไม่อาจจะตอบคำใดได้เช่นกันแต่สำหรับราตรีนี้สิ่งที่พ่อจะมาช่วยเจ้าได้ ก็เพียงแต่เตือนว่าจงระวังภัยพิบัติที่จะมาสู่คณะของเจ้าจงระวังระวังภัยพิบัติที่จะมาสู่คณะของเจ้าแล้วก็เตรียมรับมือแกไขไว้ทด นี่แลลวนะไพพิบัตดารินร้องขึ้นไพพิบัตจะมาสู่คณะของลูกในลักษณะอย่างใดรูปไหนเจ้าคะ่ะร่างประดุดหินนั้นไม่ได้ตอบตรงคำถามของหล่อนแต่กลับบอกมาด้วยเสียงกัางวานต่อมาว่า ลูกเอ๋ยต้องปกป้องระวังบริวารอันเป็นช้างป่าตัวนั้นของเจ้าไว้ใช้อำนาจบารมีของอาราหันต์องค์ใดองค์หนึ่งที่เจ้ามีคุ้มตัวอยู่ในขณะนี้เข้าเป็นข่ายเพชรคุ้มครองป้อง อย่าให้มหาเวทกริตยามนกาลีของวิญญาณไรเข้าครอบงำเพื่อว่ามันจะได้เป็นบริวารที่พักดีแล้วคอยช่วยเหลือพวกเจ้าได้ต่อไปหาไม่เช่นนั้นแล้วมันจะกลายเป็นบริวารฝ่ายศัตรูไปในทันทีที่มนคตจะสาร เข้าครอบงำแล้วมันจะจู่โจมทำลายพวกเจ้าโดยไม่ทันให้ฝ่ายเจ้ารู้ตัวเลยพ่อขอตื่นเจ้าแค่นี้แหละจบคำภาพนั้นก็จางเลือนลงเป็นลำดับจนกระทั่งกลายเป็นความดำมืดสนิท ลงตามเดิมภายใต้เปลือกตาที่ปิดของหล่อนดารินลืมตาโพรงขึ้นอีกครั้งเสียงของมหาฤาษีกลทัญญะยังก้องอยู่ในหูของหล่อนจำได้ทุกถ้อยกระทงความสิ่งแรกที่หลอนกระทําก็คือเอามือตะครุบไปที่ซวงอกไทเก้เล็กๆถักไว้ด้วยเชือกอย่างหนาแน่นที่สุดซึ่งรพินไพรวัน เคยมอบไว้ให้แกหล่อนก่อนที่จะจากกันในยุคนั้นซึ่งตลอดเวลาไม่ว่าหลอนจะไปอยู่แห่งหนึ่งตำบลใดได้ใช้แขวนติดตัวตลอดเวลาไม่เคยให้ห่างยกเว้นเวลาอาบน้ําเท่านั้นและในการเดินทางมาในครั้งนี้ก็ยังติดตัวหล่อนอยู่ด้วยสัมผัสกับฝ่ามือที่ตะปบลงไปแสดงว่าสิ่งนั้นยังแนบชิดกับหล่อนอยู่เสมอ ยังจาได้ทุกขณะในคำพูดของเขาขณะที่ส่งสิ่งนั้นให้ว่าคุณหญิงครับนี่คือสิ่งอันเป็นมงคลที่สุดสําหรับชีวิตผู้ประกอบกรรมดีทุกคนเป็นมรดกตกทอดมาจากคุณพ่อผมผมไม่มีอะไรจะมอบให้แก่คุณหญิงไว้ในวันจากนี้นะครับนอกจากหัวใจที่จะติดตามไปทุกคนทุกแห่งแล้วก็ขอโปรด สิ่งประเสริฐนี่บูชาติดตัวไว้ตลอดเวลาพยันตรายใดๆจะไม่เข้ามาแพร่พานคุณหญิงได้เลยโปรดรับไปด้วยเถครับถ้าคุณหญิงแน่ใจว่าคุณหญิงรักผมครับวันนั้นจำได้ว่าหล่อนจบทไายนั้นขึ้นเหนือสีสักอาราธนาตามคำที่เขาบอกให้ไปจนครบทุกประโยค แล้วเขาก็คล้องคอหล่อนไว้ด้วยเชือกร่มต่อมาเมื่อกลับเข้าไปในแผ่นดินอารยธรรมแล้วหล่อนก็นำไปเลี่ยมขอบทองแล้วใช้สร้อยทองขาวแขวนติดคอไว้ตลอดครั้นเมื่อจะเดินทางเข้าป่าอีกในครั้งนี้การจะแขวนห้อยคอด้วยสร้อยทองขาวอันแบบบางเกรงว่าจะหลุดหายสกลางทางเพราะต้องสำบุกสมบันมาก จึงเก็บลงท้ายตามเดิมรวมกันแล้วกลัดด้วยเข็มกลัดทองขนาดใหญ่ติดกระบราเซียซึ่งเป็นที่แน่ว่าต่อให้ขึ้นเขาลงห้วยเผชิญภัยสักแค่ไหนก็จะไม่มีวันหลุดจากตัวแน่นอนทั้งสามสิ่งนั้นภายหลังจากหล่อนได้นำออกมาเลี่ยมทองจึงพอจะทราบจากผู้รู้ว่าเป็นพระเครื่องรางชั้นเยี่ยมทั้งสามองค์ องหนึ่งคือสมเด็จวัดระคังรุ่นแรกองค์ที่สองคือสมเด็จหลวงพ่อวัดบากน้ำและองค์ที่สามคือสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห่หล่อนไม่เคยเห็นระพินแขวนพระเครื่องชุดนี้เวลาเขาเข้าป่าแต่ในวันจากกันที่หนองน้ำแห้งครั้งที่เพิ่งกลับจากเทือกพระศิวะเขาไปหยิบมาจากหิ่งพระและมอบให้แกหล่อนไว้ พี่ชายทั้งสองมาเห็นเอาภายหลังและพยายามจะขอแบ่งจากหล่อนคนละองค์สุดแล้วแต่หล่อนจะให้องค์ไหนก็เอาทั้งนั้นแต่ดารินไม่ให้ใครซักองเดียวเก็บบูชาไว้กับตัวทั้งสามองค์ครบไตรภาคีสัมผัสที่ลูกคลำขนาดนี้ทาให้ขนในเรือนกายของหล่อนชันสู้ขึ้นทั้งกายหลวงพ่ออยู่ครบทั้งสามอง สมเด็จวัดระฆังสมเด็จวัดปากน้ำและสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ไม่ต้องแกะออกมาดูแค่คลำก็รู้ว่าองค์ไหนเป็นองค์ไหนหญิงสาวดึงกายลุกขึ้นนั่งทันทีรอบด้านพี่ชายทั้งสองและเพื่อนหลับหมดแล้วหลอนมองออกไปยังบริเวณปางพักก็เห็นแต่พวกอยู่ยาม นั่งเอาผ้าผวยคลุมตัวอยู่ตะคุ่มตะคุ่มแสงไฟในกองยังลุกอยู่เป็นปกติดีเพราะเวลามันก็ยังไม่ดึกอะไรนักนับตั้งแต่หล่อนลงนอนกับพี่ชายกลางจนกระทั่งเขาหลับทิ้งหล่อนไปแล้วหล่อนสวดมนต์ภาวนาจนเกิดนิมิตประหลาดขึ้นมันห่างกันไม่เกินครึ่งชั่วโมงมานี่เองแล่ไปก็ไม่เห็นวี่แววของเจ้าด้วนช้างใหญ่ตัวนั้น เลยไม่ทราบว่าขณะนี้มันไปอยู่ที่ไหนการลุกขึ้นนั่งอย่างพรวดพลาดของดารินดึงอัแบงเกตผืนใหญ่ที่ใช้ห่มร่วมกันทั้งสี่คนเลิกรุ่นขึ้นมาด้วยนั่นเท่ากับเป็นการทดสอบสภาพการนอนของพี่ชายสองคนกับเพื่อนได้ดีที่สุดเพราะทั้งอนุชาผู้นอนขวามือสุดของหล่อนเชษฐาด้านซ้ายและชยันปลายซ้ายสุดต่างไว้ตัวขยับเปลือกตาขึ้นทุกคน น้อยอะไรอีกล่ะลุกมานั่งทำไมเสียงพี่ชายใหญ่ผู้พงบสีสษะขึ้นถามมาเสียงต่ำๆดารินกัดึงฝีปากเบาๆพูดเบาๆแต่เป็นงานเป็นการว่าพี่ใหญ่คะ่ะน้อยมีอะไรบางอย่างคะ่ะแล้วปฏิบัติตามคำสั่งของพี่ใหญ่ทุกอย่างเลยนะคะคือถ้าจะลุกขึ้นจากที่นอน ก็ให้ปลุกพี่ใหญ่และพวกเราทุกคนด้วยจะไปไหนอ่ะปวดเบ้าเหรอตปพี่จะไปเป็นเพื่อนเชษฐาบอกโดยเร็วลุกขึ้นนั่งตามทันทีคว้าอะไรฟิ้นแต่ดารินบอกว่าเปล่าคะ่ะแค่นั้นก็เงียบไปยังไม่พูดอะไรก่อนลุกขึ้นได้ก็ตรงไปที่กองหีบห่อสัมภาระค้นหาอะไรง่วนอยู่ เออใจเดียวก็คว้าได้ขดเชือกไนล่อนสำหรับผูกมัดของสาวออกมาได้ยาวตักปะระมาณสองวาแล้วลวงไลเตอร์ออกมาจุดเป็นเปลวลนจนขาดข ม, มวดติดมือไว้อนุชาและช ย, ยันพลอยลุกตามมาด้วยมองอย่างสงสัยนี่นี่ถ้าคิดจะผูกคอตายตอนนี้แล้วก็ยับยั้งไว้ก่อนนะเอาให้รู้แน่วรพินไปแต่งงานกับแหม่มคนใดคนหนึง่ง ในสองคนนั่นแน่นอนแล้วค่อยพูกรับรองว่าจะสนับสนุนเต็มที่ไม่กัดขวางหรอกชัยันกำลังงวงเงียเพราะหลับไปได้แค่ชั่วโมงเดียวพูดพโพร่งออกมาพร้อมกับตกไหลเบาๆดารินร้องว่าบ้าและสัตว์กำปั้นไปที่หน้าอกเพื่อนหนุ่มดังปึก๊กจนชัยันสะดุ้งอยงหายง่วงเป็นปลิดทิ้ง พี่ชายทั้งสองเพียงแต่เข้ามารุมดูการเคลื่อนไหวของน้องสาวจับตาขม็งแต่ยังไม่พูดถามอะไรทั้งสิ้นพอได้เชือกเส้นขนาดกระทัดรัดความยาวตามต้องการหล่อนก็ออกเดินไปหยุดยืนอยู่ใจกลางแคมป์ที่พักภายในวงล้อมของป่าหินใช้ไฟฉายกราดไปรอบๆการเคลื่อนไหวของฝ่ายนายจ้างทาให้นานอินขยินและลูกหาบทั้งหลาย ที่ล้วนแต่นอนไวทั้งสิ้นขยับตัวลุกขึ้นนั่งทันทีแต่ดารินโบกมือไว้บอกเสียงดังให้ได้ยินไปทั่วๆ ว, ว่าทุกคนนอนเถอะไม่มีอะไรหรอกฉันจะออกมาดูอะไรหน่อยแค่นั้นเองคนเหล่านั้นสงบแต่ก็ยังไม่มีใครล้มตัวลงนอนนอกจากสังเกตดูกลุ่มนายจ้างที่ยืนกันอยู่ใจกลางที่พักคงมีก็แต่ขยินและนั้นอินเท่านั้นที่ลุกขึ้นมาสมทบ พวกนายจะไปไหนกันล่ะเนี่ยพรานครูผู้เฒ่าถามขึ้นหน้าตาตื่นไม่มีใครตอบได้เพราะไม่มีใครรู้เรื่องเหมือนกันแต่ดารินถามสวนมาว่าที่เจ้าด้วนอยู่ไหนเนี่ยลุงเห็นมักงไหมเออก่อนนั้นอินเข้านอนก็เห็นมันยืนอยู่หลังปลวกด้านที่เจ้านายนอนกันอยู่นั่นแหละ แต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนซะแล้วทิดารินฉายไฟไปทางด้านนั้นไม่พบเห็นอะไรเลยนอกจากหมู่หินและลำต้นไม้ใหญ่ที่ยืนอยู่ห่างๆางจึงตะโกนเรียกขึ้นเจ้าจด้วนเจ้าด้วนอยู่ไหนสิ้นเสียงของหล่อนเท่านั้นก็มีเสียงร้อง ด้านหนึ่งด้านที่นันอินนอนอยู่นั่นเองพร้อมกับหินพลิกเบาๆและเสียงเป่าลมออกมาจากงวงดารินมีสีหน้าดีขึ้นตาเป็นประกายร้องเรียกออกมา<ะ>ด่วนมานี่เร็วๆเ ร, เรฉันเรียกมานี่เดี๋ยวที่เรากับจะฟังภาษาคนรู้เรื่อง ช้างใหญ่เริ่มปรากฏตัวพ้นเหลี่ยมบางของก้อนหินใหญ่โผลออกมาให้เห็นด้วยอาการเดินที่เบากริบของมันไฟฉายหลายดวงสาดจ้าไปจับอยู่ที่นั่นทันทีเจ้าด้วนเดินแช่มช้าเข้ามาทุกคนหลีกเป็นทางเหลือเพียงดารินคนเดียวเท่านั้นที่ยืนเด่นอยู่พร้อมทั้งกวักมือร้องเรียกกระชั้นอยู่เช่นนั้น เจ้าเดนเดินมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าของหญิงสาวตามบัญชาหล่นทำมือจากสูงแล้วลดต่ำช้าๆพร้อมก็ บ, บอกว่าห อ, อบลงหอบลงหอบลงที่ด้วนเป็นคำพูดสั่งและแสดงอาการซ้ำๆ ซ, ซักๆอยู่ประมาณเจ็ปดครั้ง ทุกคนที่ยืนดูอยู่ด้วยความประหลาดใจและไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นเงียบกริบได้แต่จับสังเกตยอย่างเดียวเจ้าด้วนคุกเข่าหน้าลงก่อนต่อมาก็ย่อนขาหลังลงกลายเป็นสุดหมอบตามที่หล่อนต้องการโดยไม่รอช้าให้เวลาผ่านไปเลยแม้แต่นิดเดียวพอเจ้าด่วนหมอบตามสั่งดารินก็ทลันปราดเข้าไปถึงตัวเหยียบปีนขึ้นไปบนขาหน้าของมัน เอาเชือกไนลอนที่ถือติดมืออยู่พาดคล้องคอความใหญ่โตของลำคอมันทําให้หล่อนไม่สามารถจะพันรอบได้โดยง่ายจึงร้องสั่งนานอินว่าเร็วลุงอินช่วยกันหน่อยดึงปลายเชือกทางด้านโนนวกมาพันให้รอบคอของมันแล้วส่งปลายมาฉันนะนานอินงงทําตามคำสั่งของหล่อนแต่ก็ถามหน้าตาตื่นว่า นายหญิงจะเอาเชือกล้องคอมันไว้ทำไมเอนะลุงยังไม่ต้องถามทาตามที่ฉันสั่งแล้วกันนันอินดึงสายเชือกข้ามคออันกว้างใหญ่ของมันแล้วมุดลอดใต้คางนำปลายเชือกไปส่งให้ในายหญิงที่รอรับอยู่ก่อนแล้วพอได้มาหล่อนก็จัดการผูกปลายเชือกทั้งสองด้านเข้าหากัน ทำในลักษณะบวงไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงที่สุดโดยแน่ใจว่ามันจะบุกป่าตะลุยพงไม้อย่างใดก็จะไม่มีวันหลุดได้ง่ายๆและผูกพอให้คลื อ, ลอกระลำคอพอดีไม่ให้มีส่วนห้อยยาวชนิดที่อาจจะไปสะดุดเกี่ยวพันกับกิงไม้กระชากหลุดตลอดเวลาเาชิฐาชยยันและอนุชายืนมองอยู่ด้วยสีหน้าพิกล แล้วมองดูตากันเองอยู่ไปมาเอ๊นี่น้อยจะทำอะไรเรียกเจ้าด้วนเข้ามาเอาเชือกเส้นปัติวเดียวทำเป็นบ่วงผูกคอไว้แล้วอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาทำกันกลางดึกแบบนี้ชา ย, ยันกระซิบถามเบาๆกับพักพกูกเดี๋ยวเฉยๆไว้จะทำอะไรก็ทำไว้ก่อนดูไปแล้วกัน เชษฐากระสิบบอกตัวเองก็ขมวดคิ้วจ้องอาการของน้องสาวตาไมา่กระพริบพอผูกเชือกเป็นสร้อยคอคล้องคอเสร็จสับแน่ใจว่ามั่นคงที่สุดแล้วหล่อนก็ดึงเอาผ้าพันคอของตัวเองออกมาวางไว้บนศีรษะมันก่อนตัวเองครึ่งนั่งครึ่งยืนอยู่บนขาหน้าของเจ้าด้วนเช่นนั้นล้วงลงไปในอกเสือ้อ ใจเดียวก็ดึงเข็มตัดที่ร้อยไท่สีดำออกมาค่อยๆขยายปากไท่ออกมีอาการเหมือนจะตัดสินใจอยู่ครู่แล้วก็เลือกเอาพระเครื่ององค์หนึ่งขึ้นมาอีกสององค์ใส่ไท่สอดเข้าเข็มตัดเน็บกระอกเสื้อชั่วคราวก่อนเฉพาะหลวงพ่อที่หยิบขึ้นมานั้นหล่อนบรรจงห อ, อย่างมิดชิดแน่นหนาะในผ้าพันคอพอหอเส็จ ก็พนมไวในมือจบขึ้นบูชาแล้วนิ่งไปชั่วขนาดจิตเหมือนจะสวดมนต์อาราธนานิ่งไปอึดใจใหญ่ตลอดระยะเวลานี้เจ้าล้วนหมอบสงบนิ่งเป็นดุจสนีไม่แสดงอาการอย่างใดทั้งสิ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยั ง, งัดหลวงพ่อมาทำอะไรอ่เสียงช ย, ยันครางออกมาเมื่อมองเห็น พออาราธนาเสร็จสับดารินก็จบไหวขึ้นเหนือศีสับแล้วบรรจงอภาพพันคอที่ห่อพระเครื่องสำคัญนั้นแนบติดลงไปกับเชือกซึ่งทำเป็นบ่วงคล้องคอเจ้าด้วนอยู่ก่อนแล้วค่อยๆมัดซ้ำทีละปลอกทีละปลอกเกือบจะเป็นการถักเพื่อให้ผ้าพันคอห่อพระเครื่องนั้นติดสนิทกับสายเชือกเป็นส่วนเดียวกัน โดยไม่มีวันหลุดหล่อนใช้เวลาอยู่นานพอสมควรทีเดียวในระหว่างที่สามชายรวมทั้งขยินกระหนันอินยืนมองอยู่จนกระทั่งเชษฐาชายันอนุชาต้องงัดบุรีออกมาสุกทดลองเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการกระชากดึงแน่ใจว่าผ้าแพรที่ห่มพระจะไม่หลุดออกจากสายเชือกแล้ว ดารินก็ถอนใจยาวกระโดดลงจากขาของมันพร้อมกับบอกว่าฮะด้วนขอความสวัสดีจงเป็นของเจ้านะบัตรนี้เจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มตัวละแต่อย่าไปไหนไกลนะอยู่แถวแถวนี้ยใกล้ๆพวกเราไว้เจ้าด้วนยันกายขึ้นยืนทันทีพอสรงกายได้ถนัดก็สายหัวไปมาแล้วเดินถอยหลังไปก่อนสองสามเก้า จากนั้นก็หมุนตัวกลับเดินช้าๆรับหายออกไปทางด้านเดิมของมันน้องสาวหันหน้ากลับมาเผชิญพี่ชายและเพื่อนซึ่งบัดนี้ดูเหมือนพอจะเข้าใจอะไรบ้างเราเราแล้วแต่ไม่กระจันะดนักอีทโนึกกว่าอะไรซะอีกที่แท้ก็เรียกเจ้าด้วนมาแขวนพระเครื่องให ช ย, ยันโครงหัวอยู่ไปมาร้องขึ้นเบาๆนี่น้อยสิ่งสูงนะ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ใช่กัสัตว์ดิราชานนะ่ะพี่ชายกลางบอกมาพี่กลางคะสัตว์ดิราชานชั้นประเสริฐขนาดช้างไม่ใช่สิ่งมีชีวิตและรักชีวิตของมันหรอกหรอคะแล้วอย่างหนึง่งถึงแม้จะเป็นดิราฉาน เจ้ด่ดนก็ไม่ใช่เพื่อนของเราหรอกหรือคะใช่ทุกคนเห็นว่าน้อยเอาพระเครื่องแขวนไว้ให้กับมันแล้วก็ลุกขึ้นมาแขวนแล้วก็ลุกขึ้นมาแขวนให้กับมันอย่างกระทันหันภายในคืนนี้แล้วก็ต้องเดี๋ยวนี้ทุกคนอาจจะนึกว่าน้อยบ้างแต่ถ้ามีเหตุผลนะคะถ้าถามก็จะบอกให้แต่ถ้าไม่ถามก็คิดเชื่อว่าน้อย สติไม่ดีแล้วกันไปงั้นเราก็กลับไปนอนได้แล้วแล้วก็อย่างที่พี่ใหญ่เตือนไว้ตอนหัวค่านะคะคืออย่าเอาแต่นอนสบายกันนักหูไวตื่นไวกันหน่อยพี่ใหญ่สังหรณ์ก่อนใครเพื่อนแต่น้อยนะเพิ่งจะมาสังหรณ์ออกมาตะกี้นี้ก่อนที่จะลุกขึ้นมานี่เองกล่าวเพียงแค่นี้หล่อนไม่ยอมให้ใครตั้งคำถามตรงนั้นอีก โบกมือไล่ขยินกระนันอินให้ไปนอนตามเดิมส่วนตนเองนั้นก็เดินไปโดยไม่รอใครตรงไปที่กระโจมพักพี่ชายทั้งสองและเพื่อนเดินตามหลังมาช้าๆด้วยความรู้สึกแปลกๆในบางอย่างจากอาการที่เห็นเชษฐาอนุชาและชยันเข้ามานั่งประจำที่ยังไม่มีใครคิดที่จะนอนในขณะนั้นต่างสงสัยตาจับมาที่น้องสาวเป็นตาเดียว ขณะนั้นดารินกำลังง่วนอยู่กับการกลับเข็มกลับเข้าไปที่ขอบราเซียซึ่งหล่อนเพียงตเน็บไว้ลูกๆ ก, ก่อนขณะที่จัดการกรับเจ้าด้วนนี่น้อยตะกี้เอาพระอะไรแขวนคอยเจ้าด้วนอนุชาฐานหลวงพ่อทวดกับพีก่กลางตอนนี้น้อยก็เหลืออยู่แค่สององค์เท่านั้นคือสมเด็จกวัตปักน้า พระเครื่องชุดที่ระพินให้กับเธอไว้เ่ะค่ะอ่ะเอาละ่ะคราวนี้ลองอธิบายสิว่านึกยังไงขึ้นมาเชษฐาถามขึ้นขณะที่จ้องหน้าเป้งเหมือนจะค้นหาความจริงภายในกระจมพักขนาดนี้จึงกลายเป็นสภาพนั่งล้อมวงอีกครั้งสามชายมองมายัางน้องสาวคนเล็ก ซึ่งได้ลุกขึ้นมาทำอะไรเป็นปริศนาให้ทุกคนต้องสงสัยเป็นตาเดียวกันดารินนั่งจ้องออกไปยังราวป่าหินที่เห็นดำทะมึนทืนอยู่นอกแคมป์เป็นเงารูปร่างแปลกๆอึดใจก็ตัดสินใจเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนและพี่ชายทั้งสองทราบในนิมิตประหลาดของหล่อนอันเป็นต้นเหตุให้ต้องรีบลุกขึ้นมาปฏิบัติตามข้อแนะนาของมหาฤาษีโกนธัญะ อย่างปัจจุบันทันด่วนเษฐาอนุชาและชยันฟังแล้วก็นิ่งขึงกันไปชั่วขณะไม่มีใครจะหัวเราะหลอนหรือว่าเห็นเป็นเรื่องเหล้วไหลทั้งสิ้นเพราะในเรื่องสัญชาตญาณในเรื่องการรับรู้หรือประสาทสัมผัสเฉวนพิเศษของดารินนั้นทุกคนต่างประจักษ์กันมาดีแล้วว่าแม่นยำยิ่งนะัก